พวกเราที่มาเป็นคณะจากหลายจังหวัดวันนี้ก็ปฏิบัติเป็นวันที่เจ็ดแล้วนะให้ลองสังเกตจิตใจของเราในวันนี้ขณะนี้นะเมื่อเปรียบเทียบกับวันแรกที่มามันมีความแตกต่างอย่างไรกันบ้าง และทําไมถึงแตกต่างหลายคนจะจะรู้สึกดีขึ้น น, นะเมื่อเทียบกับวันแรกอาจจะเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้วนะก็คลุ้ m อ, อกคลุ้ใจนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าได้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมแล้วก็กิจวัตรประจําวันของที่นี่ใหม่ๆก็ รู้สึกแปลกกับสถานที่หรือว่าไม่คุ้นกับกิจวัตรที่ต้องตื่นเช้ามีนำซ้ำก็มีแต่การเดินจงกรมสร้างจังหวะอยู่กับตัวเองไม่มีอะไรที่น่าสนใจหรือแปลกใหม่ให้ทำวันแรกก็อาจจะง่วงอาจจะเบือ่อ เเต็มไปด้วยความสงสัยนิวรณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนิวรณ์นี้ก็หมายถึงอารมณ์ที่รบกวนจิตใจเช่นความง่วงนอนความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดความลังเลสงสัยหรือว่าความโหยหาความเปรตอร่อยที่เคยชินอาหารก็ดีเพลงก็ดี หรือว่าคู่รักก็ดีให้พวกนี้เลีเรียมรวมเรียกวันนิวร น, นะมีห้าอย่างก็คงจะรบกวนจิตใจเรามากเลยเพราะวันแรกๆแต่พอมาถึงวันนี้หลายคนก็รู้สึกว่ามันลดน้อยลงนะอันนี้ก็ทำให้จิตใจปลอดโปร่งขึ้นหรือบางคนก็จะ รู้สึกว่าได้เห็นผลของการปฏิบัติไม่ใช่แค่ความสงบเท่านั้นแต่ว่าได้เห็นความรู้สึกนึกคิดของตัวความรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่าอาจจะได้เห็นความคิดที่มันไม่ตั้งใจคิดเรียกว่าลักคิดแต่ก่อนก็ไม่เคยเห็นบางทีคิดแล้วก็ยังไม่รู้อีกว่าคิดอะไร หลายคนก็คงเคยเจอสภาพแบบนี้คิดเป็นตุเป็นตะเสร็จแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้เสร็จแล้วย้อนกลับไปว่าเมื่อกี้คิดอะไรนึกไม่ออกว่าคิดอะไรอันนี้เพราะว่าไม่รู้ตัวคิดแบบไม่รู้ตัวคิดในขณะที่ลืมตัวมันก็เป็นอย่างนี้แหละพยายามที่จะสาวหาย้อนกลับไปว่าคิดอะไรนะก็นึกไม่ออกพอเนึกไม่ออกก็ยิ่งไม่พอใจก็พยายามก็ไปสาวหาหรือเค้นออกมาให้ได้ เหมือนกับคนที่บางทีนึกชื่อเพื่อนไม่ออกนึกชื่อคนไม่ออกหรือว่านึกชื่อดาลาไม่ออกก็ก็จะพยายามเข้าไปคุยไปเค้นให้ออกมาให้ได้แต่ก็ยิ่งไม่ออกก็เลยเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาแต่ว่าพอปฏิบัติไปก็เห็นนะแต่ก่อนนี่ไม่เห็นพอไม่เห็นหรือว่าฟุ้งไป ไม่รู้ทันความคิดก็หงุดหงิดนะโดยเพราะคนที่ตั้งใจปฏิบัติความคิดปรุงแต่งนะเกิดขึ้นคิดไปหลายเรื่องหลายราวนะก็ไม่รู้ตัวพอนึ้ขึ้นมาได้ก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะพยายามบังคับจิตไม่คิดมันก็ยังคิดจนได้ก็จะพยายามเอาชนะมันแต่ว่าก็เอาชนะไม่ได้เพราะว่า กิเลสนี่มันฉลาดกว่าเรานะมันก็รู้มันก็มีอุบายที่จะหาเรื่องใหม่ๆมาคิดเราล่วมมันจะคิดเรื่องนี้จับทางได้มันก็ไปคิดเรื่องใหม่ก็พอจับไม่ได้ไรไม่ทันก็หงุดหงิดนะหรือว่ากดข่มมากๆเข้าก็เกิดความเครียดในจิตใจแน่นหน้าอบนะตหลังพอปฏิบัติถูกปฏิบัติเป็นนะทำสบายๆ มันคิดไปก็รู้พอลุ้แล้วก็เกิดความดีใจอันนี้ก็ต้องรู้ทันด้วยนะให้ความดีใจนี่มีคนหนึ่งเขาก็มาปฏิบัติเหมือนกับเรานะใหม่ๆก็ฟุ้งไปไกลนะแล้วก็ไม่รู้ก็พยายามที่จะรู้ทันให้ได้แล้วก็เช้าวันหนึ่งเขาก็ขณะที่ปฏิบัติเขาก็ คิดไปถึงคําสอนถึงคาบรรยายของอัตมาพอคิดไปไม่นานก็ก็ ก, ก็เห็นความคิดที่เผลอคิดไปพอเห็นความคิดก็ดีใจมีความภูมิอกภูมิใจแล้วก็เลยคิดต่อไปว่าเดีเจออาจารย์นี่จะมาเล่าให้ฟังว่าได้ได้ได้รู้ทันความคิดยังไงบ้าง ตอนนั้นเขาไม่รู้เลย ว, ว่าเขาเผลอคิดไปอีกแล้วนะเขาเผลอคิดไปนะด้วยความดีใจที่รู้ทันความคิดแต่เผลอไปได้สักพักก็รู้ว่าโอ้กิเลสมันหลอกเราอีกแล้วนะรู้เลย ว, ว่านี่เป็นอุบายของกิเลสเนี่ยมันมาหลายซับหลายซ้อนเหลือเกินที่แทมก็มาในรูปลักษณะที่ง่ายๆธรรมด า, รรมดาคือเผลอคิดตามใจ แต่พอรู้ทันความคิดมันดีใจขึ้นมามนก็ปรุงต่อไปอีกว่าเกิดปรุงเกิดความรู้สึกภาพภูมิใจแล้วก็อยากจะมาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจจะหวังว่าอาจารย์จะชมว่าเก่งเนียอันนี้มันกิเลสนะอุบายของกิเลสที่เราต้องรู้ทันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเกิดอาการฟูขึ้นมาเนี่ยจะรู้ทันยาก ไม่เหมือนกับตอนแฟบตอนแฟบเนี่ยคือตอนเบื่อเซ็งเป็นทุกข์โกรธเนี่ยจะรู้ทันได้ง่ายกว่าแต่พอฟูเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยจะรู้ช้านะเพราะว่าเพลินติตใ จ, จมันสบายก็ไปยึดติด ก, กับมันตอนที่แฟบหรือเกิดอารมณ์อ ก, กุศลเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่ามันทุกข์มันร้อนมันหนักมันอึง้งความรู้สึกที่อยากจะผลักสายออกไปอยู่แล้วทาให รู้ทันได้ง่ายกว่าอาการที่ฟูอาการที่ปิติที่ยินดีหรือว่ า, าเคลิ้มนะภาพผูกภาพผูกใจไอ้ตรงนี้เนี่ยอาการเรียกว่าอารมณ์ฝ่ายบวกเนี่ยที่จริงแล้วก็จะเรียกว่าน่ากลัวกว่าก็ได้นะเพราะว่าเราจะรู้ทันมันได้ช้ากว่าแล้วก็มันหลอกล่อเราได้ดีกว่านะ แต่สุดท้ายมันก็ทําให้เราทุกข์เหมือนกันนะเพราะคือเจ้าก็ตรัสว่าการมาสุขรวมมาถึงอารมณ์ฝ่ายบวกเนี่ยมันก็เหมือนกับหวมันก็เหมือนกับหางงูนะถ้าจับถ้าอาจารย์หลวงพ่อชาท่านก็เปรียบไว้ดีว่าความทุกข์เนี่ยก็เหมือนกับหัวงูความสุขก็เหมือนกับหางงูหัวงูนี่ไปจับมันไปแต้มมันมันก็กัดทันทีเลยแต่หางงูนี่ นะตอนที่จับช่วยทีแรกเนี่ยปลอดภัยแต่ถ้าไม่รีบปล่อ ย, ไ ม, อยไม่รีบวางนะก็จะโดนนโดนมันแหวงกัดนะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางให้เร็วบางทีท่านก็เปลี่ยมเหมือนกับคบไฟที่ทำด้วยหญ้าแห้งเราถือคบไฟเนี่ยมันก็ให้ความสว่างแก่เราแต่ว่าถ้าเราเผลอไป ไม่นานไฟมันก็จะไหม้ลามมาถึงมือก็ลวกมือได้อันนี้ท่านพูดถึงการมาสุขนะคุยความสุขที่เกิดจากการเสพการบริโภค่างตาหัจมูกลิ้นกายแต่ที่จริงอาการฟูหรือว่าความอารมณ์ฝ่ายบวกนะที่เกิดจากนะที่ได้แก่ความภาคภูมิใจที่ทำอะไรสำเร็จนะหรือว่าได้รับคาชมมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเขาเรียกว่าอิอถารม กิธารวมหรืออารมณ์ฝ่ายบวกนะซึ่งนักปฏิบัติก็จะก็จะเจออยู่โดยเพราะเวลาปฏิบัติแล้วก็จับทางได้นี่บางคนนี่พอปฏิบัติถึงจุดหนึ่งนี่ก็เกิดวิปัสสนูขึ้นมาเลยวิปัสสนูนี่วิปัสสนูกิเลสนะเต็มเต็มวิปัสสนูปกิเลนี่มีหลายอย่างอย่างก็งคือการที่ได้เกิดยานขึ้นมา แต่มันไม่ใช่เป็นยานที่เป็นยานแท h, ๆ้ๆจะไม่ได้เห็นสารพัดมากเลยแล้วก็เกิดความหลงตัวลืมตัวขึ้นมาว่าตัวเองนี่เห็นทำรู้ทำแล้วตรงนี้นี่แก้ยากแก้ยากมากกับคนที่จมอยู่ในความทุกข์คนจมอยู่ในความทุกข์นี่ก็ยังพอรู้ว่าทุกข์นะแต่ว่าสลัดไม่ออกแต่คนที่เกิดวิปัสสนุ ป, ปกิเลสหรือว่าเกิดเห็นทำบางข้อบางอย่างแล้วก็จิตใจฟู บางทีถึงขั้นลืมตัวนะบางคนถึงขั้นว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์นะมีมีลูกศิลปหลวงปู่ดุลนะรวมถึงท่านปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติเพีงจุนึ่ก็เกิดวิปัสสนากระโน้ตัวเองเป็นพระอรหันต์นะอุตส่าห์เดินเท้านะนะจากก็จะบุรีลามมาที่สุรินนะมาถึงวัดบุรพาลามก็ตะโกนเรียก หลวงตาหลวงตามาฟังมาฟังฉันเทศนะคือขนาดนี้นะเรียกครูบาอาจารย์ว่าหลวงตาเรียกเรียกอาจารย์นี่มาฟังเทศแตไม่มีใครสนใจนะก็อยู่เป็นคืนเลยนะก็ยังไม่หายนะต้องโดนไล่ออกไปเดินตบเพิดออกไปโดนครูบาอาจารย์ตะเพิดเนี่ยก็ถึงพอจะรู้ตัวบ้างแต่บางคนเป็นนานนะเป็น เป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็มีนะมันยาวอันนี้อารมณ์ฝ่ายบวกเนี่ยวิปัสสนูนะพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันอย่าว่าแต่สลัดเลยนะรู้ทันยังไม่รู้เลยเพราะว่ามันเพลินนะถ้าคนที่ได้รับคำชมนะหรือว่าปฏิบัติ ด, ดีเนี่ยหรือว่าเกิดอารมณ์กรรมฐานขึ้นมา เนื่องจากไม่ค่อยรู้ตัวง่ายๆเนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์กระแทกบ้างนะเพราะว่าถ้าให้รู้ตัวเองเนี่ยให้รู้ตัวด้วยตัวเองเนี่ยยากไม่เหมือนกับอารมณ์ฝ่ายลบนี่พอจะรู้ได้ง่ายบางทีต้องเจออะไรแรงๆ ห, หรือเจออะไรกระแทกถ้ามีลูกศิษย์คนหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่ตมาแนละ้ว เ, เขาก็ภูมิใจในการปฏิบัติมากนะมารายงานให้ครูให้อาจารย์ฟัง อาจารย์ได้ยินอาจารย์ก็หาวเลยทำทีเหมือนกับไม่สนใจนะแทนที่จะดีใจแทนที่จะชมอาจารย์ก็หาวมองไปนอกหน้าต่างอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าว่าไม่รู้ทันกิเลส น, นะแต่อาจารย์บางคนก็กระแทกหนากกว่า น, นั้นนะมีอันนี้ก็เป็น เสี้ยวประวัติตอนหนึ่งของหลวงหลวงปู่บุตรดาหลปู่บุตรดาคราวนึ่งท่านก็ได้นำรับนิมนต์นให้ไปเทศเป็นเทศธรรมาทคูนะ่สมัยนี้เราไม่ค่อยรู้จักอะไรธรรมาทคู่ธรรมาทคู่นี่มันก็คล้ายกับโต ว, วาทีนะแต่ว่าเป็นการโต ว, วาทีโดยสายธรรมะแล้วก็มักจะเป็นมักจะเป็นงานใหญ่ที่คนก็จะมาดูมาฟังเพื่อเตรียมมาดูว่าใครเทศได้ดีกว่า ข่าวนึงก็มีพระราชาคณะท่านหนึ่งนะท่านกไ็ได้รับนิมนต์มาเทศคู่กับหลวงปู่บุตราหลวงปู่บุตราท่านเหมือนกับพระชาวบ้านเหมือนกับหลวงตาธรรมดาพระรูปนี้ท่านก็เป็นพระที่เรียกว่ามีความรู้ทางด้านปริยัตนะมีความรู้ทางด้านปริยัตก็เห็นหลวงตาก็นึกนึกดูถูกนะว่างานนีหมูแล้วนะก็ถามหลวงตาว่า ถามหลวงปู่บุญดาว่าวันนี้จะมาเทศเรื่องอะไรหลวงปู่บุญดาก็บอกว่าเทศเรื่องความโกรธพารูปนี้ท่านก็นึกว่าหลวงปู่บุญดาไม่ค่อยรู้อะไรก็เลยคอยสอบถามภูมวา่าความโกรธมันเป็นยังไงอะหลวงหลวงปู่เขาเรียกหลวงตาความโกรธเป็นยังไงหรอหลวงตาหลวงตาก็หลวงปู่บุญดาก็พูดขึ้นมาทันทีเลยว่าสนตีน ปอส้นตินท่านก็โกรธ เ, เลยนะโกรธโมโห О มากนะแล้วก็ก็เลยโกรธจนกระทั่งว่าไม่ละเลิกงานนี้เลิกเลยนะไม่พูดไม่เทศละนะไม่มีอารมณ์ละหลวงปู่บุญดาท่านก็เลยเทศนะพูดเดียวเทศเสร็จท่านก็ลงจากทํามมานมาขอโทษนะแล้วก็บอกว่านี่ไงให้ความโกรธมันเป็นงนี้แหละหน้าตามันเป็นอย่างงี้แหละนะมันทำมัน มันทําให้นะหน้าแดงนะกน้าำพูดอะไรไม่ถูกพูดอะไรไม่ออกนะนี่แหละความโกรธเป็นอย่างนี้แหละนะตัวโกรธนะอันนี้ท่านก็เรียกว่าสอนนะสอนสอนพระรุ่นน้องว่าไอ้ความหลงวิชาความรู้นี่นะหรือว่าการดูถูกนะมันก็ก็ต้องเจอแรงเจอกระแทกเพื่อให้เห็นอัตตานะให้เห็นความหลง พอไม่งั้นนี่ยก็จะจมอยู่ในความความความหลงตัวลืมตนหลวงฝ่ายบวกถึงบอกว่านี่มันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่รู้ทันยากนะัเราก็ต้องมันนะมันมันฝึกให้ไวนะนะแล้วก็โดยเพราะเวลามีคนชมนะเวลาปลืม้มหรือว่าเวลาปฏิบัติได้ผลนะอย่าไปประกาศให้โลกรู้ว่า ชันปฏิบัติยังไงบางคนเนี่ยตั้งใจแล้วกลับไปบ้านเดี๋ยวจะไปเทศไปสอนคนที่โรงพยาบาลหรือคนที่คนที่ที่บ้านก็เป็นอย่างนี้กันมากนะสมัยตัมมา ก, ก็เป็นนะพอพอปฏิบัติได้สักพักหนึ่งนะที่จริงก็ยังไม่รู้อะไรหรอกนะแต่ว่าพอมีคณะคณะคารวาดชุดใหม่เข้ามาไม่ใช่ที่นี่นะอันนี้ตอนนั้นอยู่วัสนามหนพอมีคณะคารวาตชุดใหม่เข้ามา เราก็อยากจะไปสอนเ้าละในฐานะที่เป็นคนมาก่อนทั้งนั้นที่เราก็ไม่รู้อะไรมากแลว้วก็ยงตอนนั้นยังปฏิบัติผิดผิดถูกๆกได้ซ้ำแต่ว่าอัตตาเนี่ยมันมันมันเกิดการฟูขึ้นมานะมันเห็นเหยื่อมาแล้วก็อยากจะอยากจะแสดงความเก่งแสดงภูมิรูนะ้ให้อาการแบบนี้เนี่ยรู้เท่าทันยากนะแต่ว่าการเจริญสติเะไรต้องทัน ถึงขั้นที่กล้าที่จ ะ, ะกระแทกอัตตาตัวเองได้การกระแทกอัตตานี่มันยากนะในบรรดาสันสังโยชนะสังโยชน์ที่เรียกว่าเป็นกิเลสิปการนะที่ทาให้ที่ทำให้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ต่อเมื่อทำลายหรือว่า กําจัดสันสังยอสิบประการนี้ได้ถึงจะเป็นพระอารหันต์เนี่ยตัวท้ทายๆเนี่ยก็คือมานะมานะเนี่ยคือความความถือตัวความถือตัวว่าฉันดีฉันเก่งหรือว่าฉันมีภูมิธรรมสูงกว่าไอ้ตัวการณราคาเนี้ก็ยังก็ยังถือว่าละได้นะพอพอเป็นอนาคามีก็ละได้แล้วแต่พระนาคามีก็ยังติดในเรื่องมานะอยู่ จนกว่าจะละได้นะั่นแหละถึงจะเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยเรามัดระวังเราแวดระวัยอารมณ์ฝ่ายบวกด้วยนะที่ที่ผ่านมาเราก็า จ, จะเริ่มรู้ทันอารมณ์ฝ่ายลบนะความหงุดหงิดความรําคาญนะแต่ก็ก็ให้รู้ทันอารมณ์ฝ่ายบวกด้วยไอ้ตัวนี้มันจะดูยากกว่านะ ก็ไม่เหลือวิสัยนะพวกเราถ้าหากว่าพวกเราจริงใจต่ อ, อการปฏิบัติกล้าที่จะกระแทกอัตตานะไม่ไม่สงสารอัตตาตัวตนเนี่ยมันก็ก็สามารถที่จะเห็นมันได้เรื่อยๆนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปนุถนอมมันมากนะในความไออัตตาหรือความแม้กระทั่งความสุวฉันเป็นนักปฏิบัตินะหรือว่า อาจเป็นครูบาอาจารย์บางทีมันก็หลอกได้เหมือนกันเคยมีมีเรื่องเล่าว่าอันนี้ไม่ใช่เมืองไทยเนเมืองจีนอาจารย์ยก็กำลังสอนสิทธิ์อยู่ปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเนี่ยลูกศิษย์ก็วิ่งกระเจิงเลยด้วยความตื่นตกใจแต่อาจารย์เนี่ยนั่งนิ่งสงบนะนั่งนิ่งสงบแล้วก็จิตชา เหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกตื่นกลัวอะไรเลยลูกศิษย์ก็เห็นแล้วอาจารย์นี้นะสงบนิ่งมากน่านับถือตอนเย็นก็มีการนะแสดงธรรมก็มีการสนทนากันก็มีการคุยกันมีการตั้งคำถามว่าสติคืออะไรอาจารย์ก็อธิบายาสติคือความความรู้ทันนะความท ำ, ทำใจให้นิ่งได้ไม่ว่ามีอะไรมากระทบไม่ยินดียินร้ายนะ อย่างเช่นเมื่อกลางวันนี้เนี่ยตอนแผ่นดินไหวอะพวกเธอห น, น, นีก็เจิงเลยนะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยไม่กลัวเลยนะนั่งจิบชาอยู่คนเดียวสบายก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าไม่ใช่ครับอาจารย์อะไรไม่ใช่ที่อาจารย์ดื่มนะันไม่ใช่น้ำชานะครับมันสีอิวนะอาจารย์ดื่มซีอิวยังไม่รู้คิดว่าเป็นน้าชาอาจารย์ก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าต้องวางฟอร์ม วางฟอร์มว่เาเป็นอาจารย์จะกลัวได้ยังไงนะอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของอัตตาเนะเรื่องของอัตตาว่าไอ้ฉันเป็นอาจารย์ฉันต้องวางฟอร์มจ ะ, จะวิ่งกระเจิงไม่ได้เรื่องๆก็กลัวนะแต่ว่าก็เลยพอกลัวก็เลยซวดสีอุเข้าไปแทนนะยังไม่รู้ตัวอีกนะอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าไอ้ความเป็นอาจารย์นี่บางทีมันก็ทําให้เราต้องวางฟอร์มแต่ว่าคนที่เขาคนที่เขาคนที่เขา ซื่อตรง ต, ตัวเองเนี่ยเขาะจะไม่ไม่ทนุถนอมไอตัวนี้เลยจะไม่วางฟอร์มมีค่าวหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ก็พาลูกศิษย์ไปเข้าไปในป่าเข้าไปในทุดงในป่าปรากฏว่าพอปรากฏว่เจอเสือเข้าลูกศิษย์ก็วิ่งป่าลาบอาจารย์ก็วิ่งด้วยนะอาจารย์เห็นลูกศิษย์เห็นอาจารย์วิ่งหนีเสือก็ ติดใจนะติดใจแล้วก็เป็นปิศนาที่ค้างใจอยู่นานจนกระทั่งต่อมาไม่นานอาจารย์ก็ก็ใกล้จะมรณภาพอาจารย์ก็ถามว่าใครมีเรื่องติดค้างใจใครสงสัยแล้วก็ถามเพราะาจะไม่มีเวลาแล้วรู้สึกคนนั้นก็ถามว่าอาจารย์วันนั้นเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงหนีเสือนะอาจารย์ก็บอกว่าไอการ หนีเสือเนี่ยมันยังดีกว่าหนีเสือนี่มันยังดีกว่าบอกว่าถ้าถ้าไม่อาจารย์บอกว่าถ้าไม่หนีเสือเนี่ยนะอาการหนีเสือนี่มันยังง่ายกว่าการหนีกรงเล็บของอัตตาการหนีเสือนี่มันยังง่ายกว่าการหนีไอ้กรงเล็บของอัตตาหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าหากอาจารย์เนี่ย วางฟอร์มเนะี่ยว่าฉันไม่กลัวเสือเนี่ยนะก็จะหลงตัวลืมตนและยากที่จะสลัดไอ้ความหลงตัวลืมตนนี้ได้อาจารย์รู้ดีว่าไอ้อัตตานี่มันมีมันสามารถที่จะเล่งงานเราได้ได้ชงนัดกว่าก็เลยไม่ไม่ลีลอที่จะไม่ลีลอที่จะหนีแม้ว่าจะจะทําให้คนเห็นว่าเฮ้อาจารย์นี่ยังกลัวอยู่นะ แต่ความรู้สึกว่าการที่ทําให้คนอื่นเห็นว่าฉันยังกลัวอยู่เนี่ยมันก็ยังดีกว่าการที่ทําให้คนรู้สึกว่าอาจารย์นีณแย่อาจารย์นิยอดนะคนก็จะก็ทำให้อาจารย์นี้หลงติดในคําสารเสรวนยนยอและการหลงติดในคําสารเสริญเนี่ยมันสลัดยากกว่าสลัดยากกว่าการหนีเสือนี่ก็เป็นเป็นลักษณะขอาจารย์ที่เรียกว่าไม่ไม่ไม่กลัวที่จะแสดง ไม่กลัวที่จะทํำลายภาพพจน์ของตัวเพราะว่าไอ้ภาพพจน์นี้ภาพแล้วมันก็เป็นเป็นกับดักอันหนึ่งที่ทําให้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองหรือว่าซื่อตรงกับตัวเองได้ถ้าไปติกับภาพแล้ว ก, ก็จะเหมือนกับอาจารย์คนแรกนะที่เรียกว่าบางทีก็สร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาโดยที่ไม่ใช่เป็นตัวเองจริงๆริแต่ว่าถ้าหาคนที่เขาฉลาศเขาจะรู้ว่าไอ้ตัวตนนี่ไอ้ตัวมาหน้านี่มันมันต้อง ต้องเล่นงานนะจะไม่ทนุถนอมมันเด็กขาดนะอันนี้เราเป็นการซื่อตรงกับตัวเองเราเป็นการรู้เท่าทันนะอัตตาแลนะพวกเราอนี้ก็ต้องนะก็ต้องนะอย่าไปทนุถนอมอัตตามากนะต้องกล้าฉีกหน้ากากมันและบางครั้งเนี่ยต้องเจออะไรแรงๆที่ทาให้เราเสียหน้าบ้าง ให้การเสียหน้านี่นะอย่าไปโกรธนะที่ใครเขาทำให้เราเสียหน้าเพราะว่าเวลาเสียหน้าเนี่ยคนที่ทุกเนี่ยให้ตัวที่ทุกไม่ใช่เรานะแต่มันคืออัตตาอัตตามันยอมไม่ได้ที่เสียหน้ามันยอมไม่ได้ที่ทำอะไระหน้าหัวเราะเยอะไอ้ความอยากจะสร้างฟอร์มอยากจะดูดีเนี่ยคือลักษณะของอัตตาอันหนึ่งคือมานะในเวลาเรา เวลาทำอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็มีคนทักหรือว่าทำอะไรที่เสียหน้าห้าแต้มไปบ้างอย่าก็อย่าไปโกรธนะบางทีเวลาเราทำอะไรที่เสียหน้าเราก็จะไปโกรธคนอื่นว่าเขาเห็นเขารู้เขารู้ว่าเราทำอะไรเปินเราทำอะไรผิดพลาดที่จริงก็ไม่น่าไปโกรธเขานะแต่โกรธเพราะว่าเขารู้ความจริงของเรานะแต่ที่จริงแล้วเนี่ย ถ้าเรารู้เท่าทางอัตตาเราก็จะรู้เลยว่าไอ้ที่โกรธเนี่ยไอ้ที่เสียเสียหน้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรามันคืออัตตามันคือมารณนะนะที่เราไม่ควรจะทนุทนอมันนะควรจะรู้สึกว่าดีได้ซ้ําว่าได้เป็นการได้ทรมานอัตตานะพอไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะเป็นอิสระนะจากกรงเล็บของมันได้เลยนะก็จะถูกมัน มันขังมันมันครอบงมเอาไว้อันนี้เราก็การปฏิบัติไปแล้นี่มันต้องต้องรู้ทันมาถึงตรงนี้ด้วยนะแล้วก็แล้วเพราะฉะ น, นี้ถ้าทำใจอย่างนี้ได้หรือมองแบบนี้เป็นเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรานะมันก็ดีทั้งนั้นนะโกรธก็ดีนะรู้สึกอับอายก็ดีนะมันได้เห็นไอตัวกิเลสที่มันซุกซ่อนอยู่ โดยเพราะนัปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเราก็พยายามที่จะวางฟอร์มเหมือนกันนะต้องสุภาพต้องเรียบร้อยต้องพูดเพราะๆนะแต่บางทีมันก็กลายเป็นการปรุงแต่งเหมือนกันนะพูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องทําอะไรตามที่ัสดิบๆนะั่ไม่ใช่แต่ก็ให้รู้ว่าเอออันนี้มันเกิดจากอะไรมันมีอะไรเป็นแรงจูงใจมันเกิดจากการพยายามฝึกฝนตนเพื่อให้สงบระ ง, งับหรือว่ามันเป็นการต้องการสร้างภาพ ของนักปฏิบัติทำขึ้นมาถ้ามันเป็นประการหลังเนี่ยเราก็ต้องท้าทายมันเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่ยังไม่กล้าท้าทายมันอย่างน้อยก็ให้รู้มันเห็นมันให้การที่รู้มันเห็นมันเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะให้การปฏิบัติที่เราปฏิบัติมาเนี่ยก็จุดหมายคือเพื่อนเนี่ยคือเพื่อให้รู้ทัน เห็นสิ่งที่เกิด ข, ขึ้นกับใจไม่ว่าบวกหรือลบนะให้การเห็นเนี่ยมันเห็นอย่างเดียวนี่มันก็ช่วยได้เยอะนะเพราะว่าพอเราเห็นมันเนี่ยมันก็เห็นขโมยนะขโมยเนี่ยพอมันเข้าบ้านเข้าบ้านแ ล, แล้วเจ้าบ้านเห็นเนี่ยเจ้าบ้านยังไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็เผ่นล้วในในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมี จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมาร น, นะมารมารในที่นี้อาจจะหมายถึงกิเลสมารหรือว่าเถ้าปุตตมารก็ได้นะมารนี่มีหลายอย่างแม้กระทั่งสังขารร่างกายก็เป็นมาร น, นะเพราะว่ามันแก่มันป่วยมันก็เป็นตัวขัดขวางการปฏิบัติในพระไตรปิฎกจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมารหลายตอนนะมารเนี่ยก็จะมามาร น, นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผีไม่ใช่เป็นอะไรนะถือว่าอยู่เป็นเป็นฝ่ายเทพนะ เป็นฝ่ายเทพแต่เป็นเทพที่ต้องการให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในอำนาจแห่งการอยู่ในอำนาจของมานเพื่อที่ได้ไม่ไม่ไปเป็นอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยมานี่ก็จะไม่ชอบใครที่ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเป็นอิสระจากการอิสระจากจากการมคุณนะก็จะพยายามหาวิธีทุกอย่างนะเพื่อที่จะทำให้ ผู้ปฏิบัติเนี่ยละเลิกจากการปฏิบัติแม้กระทั่งพระพุทธเจ้านี่ก็ก็ก็ไม่ละเว้นนะอย่างเช่นตอนที่พระองค์เนี่ยเลิกจากการบำเพ็ญทุกขลักิริยาแล้วก็เริ่มจกเข้ามาปฏิบัติตามทางสายกลางมารก็มาล่อมาหลอกให้พระพุทธองค์เนี่ยซึ่งตอนนั้นยังเป็นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะให้หันกลับไปบปําเพ็ญทุกขักกิริยา ก็รู้ว่าพร ะ, พระองค์นี้กำลังเดินถูกทางแล้วถ้าเป็นพระเจ้า ก, ก็จะหลุดพ้นจากอํานาจของมารก็มาปลอมตัวนะปลอมตัวมาชวนให้พระองค์เนี่ยนะหันกลับไปบําเพ็ญทุกขลักกิริยาบางทีก็มาล่อมมาหลอกว่ามาบอกพระองค์เนี่ยนะบำเพ็ญบุญสะสมบุญมามากแล้วทําไมจะต้องประพฤติทําไมจะต้องมาบําเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอีก นะอันนี้ก็ต้องการลอยพระองค์เนี่ยเลิกการปฏิบัติเพราะว่าสะสมบุญมาเยอะแล้วจะเอาอะไรอีกนะหรือบางทีก็มาหลอกเป็นพญาช้างเป็นเสือเป็นงูยักษ์นะหรือบางทีก็ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวเพื่อให้คนตื่นกลัวบางทีก็มาหลอกมาล่อกพิษสุ์นี้ว่าปะ บ, บำเพญให้ตั้งจิตนะไปเกิดในสวรรค์ดีกว่านะอย่ามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เลย วิธีการในการจัดการกับมารเนี่ยนะก็มีหลายวิธีแต่วิธีหนึ่งก็คือการที่บอกกับมารว่ามารผู้มีบาสนะเรารู้จักท่านแล้วท่านอย่าเนื้อว่าเราไม่รู้จักท่านถ้าพอพูดอย่างนี้เข้าเนี่ยมารก็จะก็จะหยุดทันทีเลยแล้วก็ล่าถอยกลับไปด้วยความเสียใจบางทีก็ลำพึงว่า พระพุทธเจ้ารู้จักเราแล้วพระตาถาคนรู้จักเราแล้วนะมีคราวนึงก็มาสิ้นรบกวนพระโมคคัลลานะมาเข้าท้องพระโมคคัลลานะนี่ท่า น, านมีฤทธิ์มากนะแต่ว่าบอกให้มานออกมานมานไม่ออกท่านก็เลยบอกกับมาว่ามาเรารู้จักท่านแล้วนะท่านอยากคิดว่าเราไม่รู้จักท่านคือรู้ว่าที่มากรันกว น, นี่คือมาน มานี่พอมารู้ธรรมก็ถอยเหมือนกันนะอันนี้คือวิธีการที่พระพุทธองค์นะแล้วก็ภาษาวกใช้มีคาหนึ่งพระภิกษุนะชื่อสมิทธินะกําลังปฏิบัติธรรมอยู่นะราะว่ามามานี่ก็มาหลอกให้กลัวเกิดแผ่นดินไหวขึ้นพระสมิทธิก็ตกใจเลิกปฏิบัติแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้า พระเจ้านี่รู้ว่านี่เป็นอุบายของมารก็บอกพระสมิทธิี่ว่าเนี่ยเนี่ยเป็นอุบายของมาร์นะให้ไปบอกมารเลยนะว่าเรารู้จักท่านแล้วพระสมิทธิี่ก็ทําตามนะพอแผ่นดินไหวพระสมิทธิี่ก็บอกเลยว่ามารเรารู้จักท่านแล้วนะท่านอยากคิดว่าเราไม่รู้จักท่านมารก็หยุดเลยนะยอมแพ้แล้วก็ลําพึงขึ้นมาว่าพระสมิทธิี่รู้จักเราแล้วในการสู้กับมารเนี่ยนะ ไม่ต้องใช้อิทธิฤทธิ์อะไรมากนะก็เพียงแต่บอกกับมารว่ารู้ทันมารแล้วนะอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการที่ใช้ในการจัดการกับมารนะก็คือการรู้ทันกิเลสนั่นเองนะไม่ว่ามันจะมาไม่ไหนนะก็ให้เรารู้ทันบางทีมาหลอกให้กลัวมาชวนให้เวหรือว่ามายุให้ ให้ให้โกรธนะมีนะมานี่มาบางทีก็มาพื่กับพระพุทธองค์ว่าท่านนอนหลับขี้เศร้าจังนะนอนหลับขี้เศร้าหรือว่าท่านกําลังแต่งกาศก่อนอะไรอยู่หรือเปล่านะนี่มางทีก็มามาขนาดนี้นะแต่พระองค์ก็ไม่โกรธนะแล้วก็บอกว่าพระองค์นี่บางทีก็คงก็อธิบายนะว่าที่นอนนี่นอนด้วยความตื่น หรือบางหรืออีกครั้งก็บอกว่าที่นอนนี่นะก็นอนเพื่อเพื่อนอนเพราะกําลังคิดถึงสรรพสัตว์ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรดีแต่ก็หลายครั้งท่านก็เพียงแต่บอกสั้นๆมาๆเรารู้จักท่านแล้วนะอันอำนาจแห่งการมองการรู้เนี่ยนะการรู้การเห็นเฉยๆเนี่ยมันก็มีอํานาจเหมือนกันนะมาเนี่ยก็กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปดูแคลนนะไอ้การที่มีสติรู้ทัน เห็นมันเห็นมันเห็นไม่ว่าบวกหรือลบฟูหรือซากเห็นไปเพราะว่ามานี่มันก็มาในหลายรูปบางทีก็มาชวนทําให้เราท้อท้อหรือเกินปฏิบัติไม่ได้ผลปฏิบัติทําไมเอาไว้แก่แล้วค่อยปฏิบัติ ด, ดีกว่าอันนี้มานก็ใช้วิธีนี้นะกับพระพิสุทธิ์พุทีบางรูปแต่งงานก่อนเอาไว้มีความสุขในโลกแห่งคารวะแล้วเบือ่อเบื่อเมื่อไหร่แก่เมื่อไหร่ก็มาบวช น, นะมานก็ทํานี้เหมือนกันเราก็ต้องรู้ทันนะ หรือว่าพอปฏิบัติแล้วได้ผลนะรู้ทันอารมณ์ความคิดใจฟูขึ้นมาอยากจะไปสอนคนโน้นคนนี้ก็รู้ทันนะอนิมากแล้วนะกิเลสมันม า, มาล่อให้เราหลงนะนี้แหละนะเป็นเป็นเรื่องที่เพียงแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะรับมือนะกับมาหรือกิเลนี้ได้ที่ผ่านมาเราก็ใช้วิธีการาต่อต้าน นะหรือว่ากดข่มความอยากกดข่มความโกรธนะแต่ว่าให้ลองใช้วิธีดูมันเฉยเฉยบ้างนะรู้มันดูมันเฉยเฉไม่ต้องทําอะไรกับมันถ้าเท่านี้เนี่ยด้วยอํานาจแห่งสติด้วยอำนาจ แ, แห่งการรู้เนี่ยมันก็ยอมแพ้ได้เหมือนกันนะนะนแล้วก็ฝากไว้เท่านี้ฝากพร้อมกัน